แปดสทศเนนะปหาตับพาทุกกะ 7. ปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ 1, ่งวิพังกวาระเหตุปัจจัย 13. สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคโดยเหตุตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเป็นปัจจัยแก่สจำปุจจคันและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะอารมณะปัจจัย14สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคโดยอารมณะปัจจัยได้แก่ บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นราคาที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคจึงเกิดขึ้นทิฏฐิวิจิกิจฉาโทมานต์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินทิฏฐิที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินทิฏฐินั้นราคาที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคจึงเกิดขึ้น ทิฏฐิวิจิกิจฉาโทมานตสที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิโทมานัสจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบโทมนั์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักโทมานต์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัก เป็นปัจจัยแห่ส ภ, สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักโดยอารมณปัจจัยได้แก่พระอริยะพิจารณากิเลสที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งละได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงรู้จิต ข, ของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักด้วยเจโตปริยานขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัก เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณหูเพนิวาสานุสติญาณยะถากรรมูปะขยานอนาคตังสยานและอวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยบหสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักโดยอารมณะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้น ยินดีเพล่ดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพล่ดเพลินกุศล น, นั้นราคาที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาจึงเกิดขึ้นอุทัจจะโทมนัตที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งส颂ไว้ดีแล้วออกจากฌานพระอริยะออกจากมากแล้วพิจารณามักละถึงเป็นปัจจัยแก่ผลและอวชนะจิตโดยอารมณะปัจจัย พระอริยะพิจารณากิเลสที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาค์ซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุและขันธ์ที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคจึงเกิดขึ้น อุทัตเจโทมานต์ที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมคจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิประจักผุและถึงเป็นปัจจัยแก่อนาคตตังสยานและอวชจนะจิตโดยอา ร, รมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถ พิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานและถึงยินดีเพลิดเพลินจากสุมภัยวัตถุและขันธ์ที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคจึงเกิดขึ้นทิฏฐิวิจิกิจฉาโทมานต์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคจึงเกิดขึ้นอธิปติปัจจัยบห สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคโดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมนาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลเพลิงราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลเพลิงราคะนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและถึง ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นยินดีเพลื่อเพลนทิฏฐิให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นและถึงสหาชาตาธิปติได้แก่อธิ ป, ป, ปดีด language, ปปรธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตขันโดยธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหาชาตาธิปติได้แก่ อธิปดีธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปโดยทุติปติปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคโดยทุิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือหชาตาทุติได้แก่อธิปดีธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตขัน และจิตตะสมุทฐานรูปโดยอธิปฏิปัปจัจ17สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยอธิปติปัจัยมีสองอย่างคืออ ร, รมนาธิปฏิและสหัชาตาทิปฏิอรมนาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมท า, านเศลรักษาอุโบสถพิจารนากุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้ว ออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาจึงเกิดขึ้นพระอริยะออกจากมากแล้วพิจารณามากให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นละถึงเป็นปัจจัยแก่ผลโดยอธิปฏิปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุหาทัยวัตถุและขันที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมา ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคาที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาจึงเกิดขึ้นสาชาตาธิปฏิได้แก่อาทิปฏิธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเป็นปัจจัยแก่สัมยุญตขันและจิตตาสมุทฐานรูปโดยทิปฏิปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมา โดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานพิจารณาฌานละถึงยินดีเพลิดเพลินจากสุหาไทยวัตถุและขันธ์ที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคาที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น อนันตรปัจจัย18สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัคซึ่งเกิดป่งก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก โดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแก่วุฒฐานะโดยอนันตรปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคซึ่งเกิดก่นกอนและถึงเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลอศาวัชนาจิตเป็นปัจจัยแก่กขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคโดยอนันตรปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสมณันตระปัจจัยมีห้าวาระเป็นปัจจัยโดยสหชาติปัจจัยมีห้าวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิสยปปจจัยสิบก้าสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักเป็นปัจัจแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักโดยอุปนิสยาปจัยมีสามอย่าง คืออารามณูปานิสยาอนันตารูปานิสยาและปะกะตูปนิสยปาปะกะตูปานิสยาได้แก่บุคคลอาศัยราคาที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภัตแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสองอาศัยโถสะที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภัตมูหะทิฏฐิความปรารถนาะแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงราคาที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภัตความปรารถนาะ เป็นปัจจัยแก่ราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคความปรารถนาโดยอ oh no. ุปาณิส um. ยปัจจัยสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคือนันตารูปานิสยาและปะกะตูปนิสยาปะกะตูปานิสยาได้แก่บุคคลอาศัยราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคแล้วให้ทาน ท, ท, ท, ทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยโทสะที่ต้องประหาร ด, ด้วยโสดาปติมัคโมหะทิฐิความปรารถนาแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาปัญญาราคะที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคโทสะอโมหะมานะความปรารถนาสุขทางกายพร ะ, ะสมาบัติโดยอุปาเนสยปัจจัย ยีสสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยอุปาินสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณูปะเนสยาอันันตรูปะเนสยาและ ป, ะะ ป, ปะกะตูปะเนสยาปกะตูปนินสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะอาศัยศีลปัญญาราคะที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก โทสะโมหะมานะความปรารถนาสุขทางกายเสนาสนะแล้วให้ทานธรรมสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะศรัท ธ, ธาปัญญาราคะที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักความปรารถนาสุขทางกายเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัท ธ, ธาปัญญาราคะที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายมักและภะละสมาบัติ โดยอุปาเนสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัก planes. เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยอุปาเนสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณูปาเนสยาอันันตารูปาเนสยาและปกระตูปาเนสยาปกระตูปานิสยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วถือทิฏฐิอาศัยศีลปัญญาราคะที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักโทสะโมหะ มานะความปรารถนาะสุขทางกายเสนาสนะแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสง์ศธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแข่ราคะที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์โทสะโมหะทิฏฐิและความปรารถนาโดยอุปานินสยปัจจัยปุเรชาตะปัจจัย21สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์เป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์ โดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณบุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหะไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปราศรุความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาอุทจจะโทมนัตที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาจึงเกิดขึ้น บุคคลเห็นรูปด้วยทิประจักขู่โพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละถึงวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักรกายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขรวิญญาณกายายตนะละถึงอาภัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภคโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุหาไทยวัตถุเพราะปรารฏความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคาที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภคทิฏฐิวิจิกิจฉาโทมนัตที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภคจึงเกิดขึ้น วัตถุปุเรชาตะได้แก่หาษไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักโดยปุเรชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยและอาเสวนปัจจัยยี่สิบสองสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักโดยปัจฉาชาตะปัจจัยย่อสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภคโดยปัจฉาชาติปัจจัยย่อและถึงเป็นปัจจัยโดยอาเจวนปัจจัยมีสองวาระกรรมะปัจจัย23สาสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัภคโดยกรรมะปัจจัยได้แก่เจตนาที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภค เป็นปันจจัยแก่สัมปยุจจขันโดยก a ม m ปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักโดยก a ม m ปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณนกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักเป็นปัจจัยแข่จิตแต่สมุทฐานรูปโดยก a ม m ปัจจัยนานาคณนกะได้แก่เจตนาที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัก เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกระตั้นตารูปโดยกร r m ปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาโดยกร r m ปัจจัยได้แก่เจตนาที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเป็นปัจจัยแก่สมยุญตะขันธ์และจิตตสมุธฐานรูปโดยกร r m ปัจจัย24สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมา เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคหรือกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคนนกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเป็นปัจจัยแห่งสัมยุญตะขันและจิตตสมุทานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคนนกะได้แก่เจตนาที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเป็นปัจจัยแห่ขันที่เป็นวิบากและขตตารูป โดยกระมะปัจจัยวิปากะปัจจัยเป็นต้นยี่สิบห้าสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคโดยวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยอินทรียะปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัยมีสี่วาระ เป็นปัจจัยโดยมากค่าปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตะปัจจัย26สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเ ป, ป, ป็นปัจจัยแหาา่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคโดยวิปยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจชาชาตะย่อสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัค เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยวิบยุตตะปัจจัยมีสามอย่างคือชาตะาปุเรชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคโดยวิบยุตตะปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่ขวทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัก โดยวิบยุตตปัจจัยอธิปัจจัยเป็นต้น27สภา ว, าาวาธรร ม, มที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคโดยอธิปัจจัยเหมือนกับปฏิเจวาระสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือาชาตะและปัจฉาชาตะ ย่อสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคโดยอธิปัจจัยเหมือนกับปฏิจจาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสาชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะ อาหารและอินทรียะย่อสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัคโดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุย่อเหมือนกับปุเรชาตะปัจจัยยี่สิบปดสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและที anyway. ่ไม่ต <sm> <cheap> ้องประหารด้วยโสดาปฏิมาค เป็นปัจจัยแขกสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาภติมักโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและบุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยโสดาภติมักและอาหิวัตถุเป็นปัจจัยแข่ขันสามโดยอธิปัจจัยและถึงขัน 2. สองสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาภติมักและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาภติมัก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคโดยอธิปัจจัยมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและโกลึงกระหาน เป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาติได้แก่ขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัติมักและรูปปัจจิวิตินรียเป็นปัจจัยแก่ขตตารูปโดยอธิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนัตถิปัจจัยเป็น ป, ปัจจัยโดยวิคตะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตะปัจจัย 1. ปัจจญานุโลมสอง 2. สังขยาวาระสุทนัย29 เทถุป mm. ัจใจมีส mm ี่วาระอารมณะปัจใจมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตระปัจใจมีสี่วาระสมนันตระปัจใจมีสี่วาระสหชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยาปัจจัยมีเจดวาระอุปานิสยปัจใจมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระ อาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจัจมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจัจมีสี่วาระอินทรียปัจัจมีสี่วาระชานะปัจใจมีสี่วาระมัคคปัจัจมีสี่วาระสัมยุตตาปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีเจ็ดวาระณทิปัจัจมีสี่วาระ วิคตะปัจใจมีสี่วาระอะวิคตะปัจใจมีเจดวาระสองป จ, จนียุทธาระสามสิบสภาวธรร ม, มที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักเป็นปัจใ จ, จัยวก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักโดยอารมณะปัจใจสหชาตปัจใจและอุปาเนสยปัจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัก เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยอารมณะปัจจัยสหชาตะปัจจัยอุปาณิเสยปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยสหชาตะปัจจัยสาสิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์โดยอารมณปัจจ e, ัยสหชาตะปัจจัยอุปะเนสยปัจจัยปุเรชาตะปัจจัยปัจชาชาตะปัจจัยกรมมปัจจัยอาหาระปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์โดยอารมณ์ปัจจัยอุปะเนสียปัจจัย และภ so ุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคโดยสหชาตะปัจจัยและภุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคโดยสหชาตะปัจจัยปัจชาชาตะปัจจัย อาหารปัจจัยและอินทรียปัจจัยสองปัจจยปัจญิยะสองสังคยาวาระสุทนัยสามสสองณเหตุปัจจัยมีเจดวาระณอารมณปัจจัยมีเจดวาระณอธิปติปัจจัยมีเจดวาระณอนันตรปัจจัยมีเจดวาระณสมณันตระปัจจัยมีเจดวาระณสหชาตะปัจจัยมีห้าวาระ ณอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระณนิสยปัจจัยมีห้าวาระณอุปานิสยปัจจัยมีเจดวาระณปุเรชาตปัจจัยมีหวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีเจดวาระละถึงณมฆาปัจจัยมีเจดวาระณสัมบุญตปัจจใจมีห้าวาระณวิปุญตปัจใจมีสี่วาระโนอธิปัจใจมีสี่วาระณนัติปัจจัยมีเจดวาระ โนวิคตะปัจจัยมีเจดวาระโนอวิคตะปัจจมีสี่วาระสามปัจจญานุโลมะปัจจนิยะสามสิบสามณอารมณะปัจจัยขเภตุปัจจมีสี่วาระณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณอนนตระปัจจมีสี่วาระณสมนันตระปัจจมีสี่วาระณอัญญมัญญะปัจจัยมีสองวาระ ณอุปาณิเสสะปัจจัยมีสวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสี่วาระนสัมยุญตตปัจจัยมีสองวาระณวิปุญตตปัจจัยมีสองวาระโนนัติปัจจัยมีสี่วาระโนวิคตปัจจัยมีสี่วาระ 4. ปัจจยปัจญิยานุโลมสามสรามะนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีหวาระ พ่งเพิ่มบทอนุโลมมาติกาและถึงอวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระทัศเนนะปหาตัพทุกะจบแปดสิบสี่ภาวนายปหาตัพทุกะหนึ่งปฏิจจวาระ หนึ่งปญานุโลมเป็นต้นสามสิบห้าสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศ ส, สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุถกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาเหมือนทัศเนนะปะหาตาพาทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระอนุโลมจบ สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะในเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรักขด้วยอุทัจะอาศัยขันธ so ์ที่สหรคกด้วยอุทัจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ละถึงอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุ ซึงไม่ต้องประหารได้วยมักเบื้องบนสามพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาศนญสสัตตพรมโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาอาศัยขันที่สหรควดุวิจิกิจฉาเกิดขึ้นโยนาเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระปัจจ尼ยะจบนเหตุปัจจัยที่สหรคตดุอุทจะในปัจจ尼ยะแห่งปัจยะวาระมีสามวาระ พึงยกโมหะขึ้นแสดงวาระแม้ทั้งหมดเหมือนกับทัศเนนะปะหาตับพธทุกะแม่อุทัจนิยะก็ต่างกัน8ปสิบสี่ภาวนายปะปหาตับพาทุกะเจ็ 7. ปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขาวาระเหตุ ป, ปัจจัยสามสิบหกสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาโดยเหตุตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแฉ่สัมพยุติขันธ์โดยเหตุปัจปจัจ ย, ยจมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหาร <complac ent S 1> ด้วยมรรคบื้องบนสาเป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสาโดยเหตุตุปัจจัยย่อธรรมณปัจจัยสาสิบเจ สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสโดยอารมณัปัจจัยได้แก่บุคคลยินดีเพลื่อเพลินราคะที่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสาเพราะปรารบความยินดีเพลื่อเพลินราคะนั้นราคะที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาและถึงอุทจจะโทมนัตที่มรรคบื้องบนสามพึงประหารละถึงเพราะปรารบอุทจจะอุทจจะจึงเกิดขึ้น โทมนัสที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบโทมนัสที่ต้องประหารด้วยมรรคบื three, ้องบนสาโทมนัสที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาละถึงอุทจฉะจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาโดยอรมณ์ปัจจัยได้แก่พระอริยะพิจารณากิเอ ท, ที่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสามจึงละได้แล้ว พิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งขันที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้อบนสามโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรากรกความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นราคะที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้อบนสามจึงเกิดขึ้นทิฏฐิวิจิกิจฉาโทมนัตที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้อบนสามจึงเกิดขึ้น บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสด้วยเจโตปริยญาณขันที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุิสติญาณยะากรมูปะขยานอนาคตังสายานและอวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัย38สภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารได้มรรคเบื้องบนสาโดยอารมณะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณากุศล น, นั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบ ค, ความยินดีเพ่ิดเพลินกุศล น, นั้นราคะที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นทิฏฐิวิจิกิจฉาโทมนัตที่ไม่ต้องประหารได้มรรคเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้น บุคคลพิจารณากุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วออกจากฌานพระอริยะออกจากมรรคและถึงเป็นปัจจัยแก่ผลและอวชนะจิตโดยอรมณะปัจจัยพระอริยะพิจารณากิเลสที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งละได้แล้วบุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุและขันธ์ที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและถึงยินดีเพลิดเพลิน เพราะปลารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นทิฏฐิวิจิกริชฌาโทมนัสที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิปจักรครูและถึงเป็นปัจจัยเขย่าถากรรมูปักขยานานาคตังสยานและอาวชนะจิตโดยอารมณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามโดยอรมณะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลพิจารณาฌานละถึงยินดีเพลิดเพลินจากสุขหาไทยวัตถุและขันธ์ที่ไม Clear ่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นราคะที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นอุทจจะโทมนัตที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้น อธิปติปัจจัยมสิบสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออา ร, รมณนาธิปติและจหชาตาธิปติอา ร, รมณนาธิปฏิได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคาที่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสามจึงเกิดข mhm ึ้นสหชาตาธิปติได้แก่ธิปติธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สัมยุญจักขันโดยธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคบืงบนสาโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมนาทิปติได้แก่ บุคคลยินดีเพลิอเพลินราคะที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิอเพลินราคะนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นศาสตราธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทารูปโดยธิปติปัจจัย สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสและที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสาชาตาธิปฏิได้แก่อธิปฎีธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สัมพยุติขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจัยสี่สิสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแห่งสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาโดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณากุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินกุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้น สหชาตาธิปติได้แก่อธิปฎิธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สัมป ย, ยุตตขันและจิตตะสมุทารูปโดยทิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติดได้แก่บุคคลให้ทานพิจร า, ารณาฌานละถึงยินดีเพลิดเพลินจากสุ หาไทยวัตถุและขันที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามให้เป็นอา mmm kind of รมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพื่อเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นอนันตระปัจจัยเป็นต้นสี่สเอดสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามโดยอนันตระปัจจัยมีสี่วาระ ภาวนาเหมือนกับทะัศะเนนะปะหาตับพะทุกะไม่มีข้อแตกต่างกันเป็นปัจจัยโดยสมณนันตะปัจใจมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยชาชาตะปัจจัยมีห้าวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยนิสยาปัจจัยมีเจดวาระอุปปณิสยาปัจใจสี่สิบสองสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาโดยอุปาินสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณูปาเนสยาอันันตารูปนิเนสยาและปกระตูปาเนสยาปกระตูปาเนสยาได้แก่ราคะที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาโทสะโมหะมานะความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ราคะที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาโทสะมหะมานะและความปรารถนา โดยอุปาณิสยาปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่างคือรมณูปะนิสยาอานันตารูปะนิสยาและปกะตู ป, ปนิสยปาปกะตูปะนิสยาได้แก่บุคคลนา่าใจราคะที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าจัด ท, ทำลายสง์ อาศัยโทษะที่มักเบื้องบนสามพึงประหารและถึงโมหะมานะความปรารถนาแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าจัด์ทำลายสงราคะที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามและถึงความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาปัญญาราคะที่ไม่ต้องประหารได้มักเบื้องบนสามโทสะโมหะทิฐิความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกาย มรรคและพละสมาบัติโดยอุปนิสัยปัจจัย43สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่มรรคเบื้องบนสามพึงประหารโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสมอย่างคือรัมณูปะนิสยาอันันตูปะนิสยาและปะกะตูปะนิสยาปะกะตูปะนิสยาได้แก่บุคคลน่าใสศรัทธาแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้น ถือทิฏฐิอาศัยศีลปัญญาราคะที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามโทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายเสนาสนะและถึงฆ่าสัตว์ทำลายสงศ์ศรัทธาเสนาชนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาปัญญาราคะที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามโทสะโมหะทิฏฐิความปรารถนา ทุกทางกายทุกทางกายมรรคและภะสมาบัตโดยอุปนิชยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสโดยอุปนิชยปัจจัยมีสามอย่างคืออริมนูปานิชย์อนันตารูปานิชย์และประกระตูปานิชย์ปรกระตูปานิชยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะ มัศีลปัญญาราคะความปรารถนาะสุขทางกายทุกทางกายเสนาสนะแล้วมีมานะสัทธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ราคะที่มักเบื้องบนสามเพึงประหารและถึงโทสะโมหะมานะความปรารถนาะโดยอุปาินียปัจจัยปุริชาตปัจจัยสีสิสสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามโดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุขหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและถึงยินดีเพลเพลินเพราะปรารุความยินดีเพลเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นราคาที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น วิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นโทมานต์ที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทีิเบจักขุโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักลายตนะเป็นปัจ จ, ยจัยแก่จักขุวิญญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามโดยปุเรชาตะปัจจัย สภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคบืงบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตาาะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุขหาไทยวัตถุเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นราคาที่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้น โมนัสที่ต้องประหารด้วยมรรคเบ <DevOps. 3> ื้องบนสามจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่มหาทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาโดยปุเรชาตะปัจจัย45ละถึงเป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตะปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยอาเสวนาปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยกรมมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตขั น, ขนโดยกรรมะปัจจัยพึยงเพิ่มบทที่เป็นมูลเจตนาที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเจตนาที่ต้องประหารด้วยมักเบื่องบนสเป็นปัจจัยแก่สัมปญุตขันและจิตตะสมุทฐานรูปโดยกรมมะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสาโดยกัรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตตะและนานาขเนกกะสหชาตตะได้แก่เจตนาที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สัมบยุตักขันและจิตตสมุทานรูปโดยกัมมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาขเนกกะได้แก่เจตนาที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคบืงบนสาเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากและกระตัตารูป โดยก ร, รมะปัจจัยและถึงเป็นปัจจัยโดยวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงเป็นปัจจัยโดยอวิคตตปัจจัยปัจจัยทั้งหมดเหมือนกับทัศเนนะปหาตบพาทุกะภาวนาไม่มีข้อแตกต่างกันหนึ่งปัจจญานุโลมสอง 2. สังขยาวาระสุทไนสี่สิหเหตุ ป, ปัจจัยมีสี่วาระ อารามณปัจจัยมีส uh ี่วาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอานันตระปัจจัยมีสี่วาระสมนันตระปัจจัยมีสี่วาระสหชาตตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีเจดวาระอุปนิสยปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตตปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาตตปัจจัยมีสองวาระอาเจวุณปัจจัยมีสองวาระ กรรมปัจจัยมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสี่วาระอินทรียปัจจัยมีสี่วาระชาเนปัจจัยมีสี่วาระมัคคะปจจัยมีสี่วาระสามยุตตาปจัยมีสองวาระวิบยุตตาปจัยมีสามวาระอัติปัจจัยมีเจดวาระนัติปัจจัยมีสี่วาระวิคตาปจัยมีสี่วาระ อาวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระพึงจำแนกปัจจญายาิพังให้เหมือนกับทัศเนนะปะหาตัพาทุกะแม้การนับทั้งสามวาระก็พึงนับอย่างนี้ภาวนายะปะหาตัพัทุกะจบ